ขค้ความเจริญในธรรมจุงมีแล่ท่านผุกฟังทั้งหลายแต่หลงบงพ่ทิยานกำลังนำเสนอเรื่องผลของความเป็นสมณะซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือผลจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นเองพระเจ้าทรงแสดงมาโดยลำดับ คือตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคราวาดมาเป็นพระแล้วคน่ากภารกิจแบบชาวบ้านหลายๆอย่างมาโดยลำดับก็พูดมาถึงข้อที่ทรงอุปมาเห็นนิวร์ทั้งห้าประการว่ากรรมชันนวอรอนิวร์ก็เป็นเหมือนการตกเป็นหนีค้คนอื่น ทายบาทนิวรก็ตกเหมือนกับการเป็นโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนที่น้ำมีท่านิวรณ์ก็เหมือนกับการติดคุกและอุตจากขุกจันิวรณ์ก็เหมือนกับการตกเป็นทาสของบุคคลอื่นวิจิกิษานิวรณ์ก็เหมือนกับการเดินทางไกลกันดานที่มีความยุ่งยากลําบาก การสงบนิวรณ์ลงไปได้นั้นก็เหมือนกับการพ้นจากการเป็นหนี้คนอื่นการหายจากโครคการออกจากกคุกการพ้นจากความเป็นทาสและการรอดพ้นจากทางไกลกันดานเดี๋ยวการจะสงบนิวรณ์เนี่ยถ้าจะสงบได้นานๆหน่อยก็ต้องระดับฌาน ซึ่งเป็นคู่ปรับโดยตรงของนิวรส่วนการสงบระดับก่อนนั้นก็สงบได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังมีอยู่ในฌานแต่ละข้อนั้นทรงอธิบาย อ, อุปมาให้เห็นกหมายความเป็นเรื่องสัมผัสตรงที่เราซึ่งไม่ได้ฌานนเราก็ไม่เคยสัมผัส แล้วก็ไม่พบบ่อยนักนะฮะที่ทรงอธิบายในลักษณะนี้ทะเนี้จะเป็นเพราะว่าเป็นการอธิบายแก่พระเจ้าอาชาติสูรูซึ่งเป็นชาวบ้านเลยต้องมีอุปมาอุปไม้เทียบเคียงเยอะเหลือเกินคือเมื่อจเจริญสมาธิมาโดยลำดับเนี่ยในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะ การสงบนิวรณ์ก็แสดงวาชานมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเวลาการแสดงเนี่ยมันพูดพร้อมกันไม่ได้แต่การปฏิบัติเนี่ยมันพร้อมกันได้หมายความว่าเมื่อมิตกมันเกิดเนี่ยสมาไอวีทีนั่งมิท่ก็สงบวิจานมันเกิดวิจิกิชาก็สงบเป็นต้น เหมือนกับเย็นปรากฏร้อนมันก็ดับไปเป็นอาการที่เกิดพร้อมกันได้แต่ว่าการนำความมาเรียงหรือนำมาพูดเนี่ยมันให้พร้อมกันไม่ได้เพราะในชั้นต่อไปก็ส่งอธิบายถึงเรื่องนิวรณที่ถูกสงบไปด้วยฌาน เราสั่งว่าเมื่อเธอพิจารณาเหตุ น, นิวรณ์ห้าเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดประโมทเมื่อประโมทแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าพอบรรลุปฐมฌานปั๊บเนี่ย วิบวันทั้งห้าประการก็สงบปุ๊บเพราะในความเป็นปฐมฌานนั้นมันมีองฌานห้าประการคือเรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกะกัตตาเป็นข้อที่นักสังเกตยอย่างหนึ่งว่าธรรมระกลาปกติแล้วจะเรียงประกบกันเช่นสมมติว่าเรียวโลกกดหลงแล้วก็เรียงศีลสมาธิปัญญาหิทานศีลภาวนา หมายความว่าถ้าศีลสมาธิปัญญาปรากฏในโลกโกลดงจะไม่ปรากฏโลกโกลดงปรากฏศีลสมาธิปัญญาก็ดับไปแล้วก็จะเรียงคู่กันในลักษณะนี้แต่ในองค์ชานนั้นปรากฏว่าไม่ได้เรียงประกบแบบนิวรณ์ประกบนิวรณนั่นแหละแต่ไม่เรียงเป็นคู่คู่คือวิตกเนี่ยไปสงบนิวรณตัวที่สามคือทีนามิทัต วิจาร์ไปสงบนิวรณ์ตัวที่หคือวิจิกิจชาปิติไปสงบนิวรณ์ตัวที่สองคือพยาบาทสุขไปสงบนิวรณ์ที่4ี่คืออุทธจักโกกุจจาแล้วเอกกตาคือสมาธิไปทําหน้าที่สงบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งคือกามจาันทร์ปรันอาการสงบหล่นเนี้ย มันก็มีธรรมะปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นลำดับจงเกิดประโมดประโมดนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ปิติปิติก็ทาหน้าที่สงบปยาบาทนะเมื่อมีปิติในใจกายาย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้ ส, สุขสุขนั้นก็สงบอุทธาจา ก, กุกจุจจะ เมื่อมีสุขจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็ไปสงบกามฉันแล้วเธอก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมกรรมกามในที่นี้ก็หมายความว่าสงัดจากกิเลสกามทั้งหลายกิเลสที่เป็นเนหตะใจไข่คอยคว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นมีความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตนได้ตนมีตนเป็น แล้วก็ตลอดถึงตัววัตถุกรรมอยู่สิ่งนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผุทธภัณฑ์แล้วก็ธรรมารุมก็หมายความว่า้าใจไม่มีกิเลสไอ้กามมันก็ต้องสงบคือวัตถุกรรมนั้นมันจะไม่มีอิทธิพลอะไรกับคนที่จิตใจไม่มีกิเลส มันก็เหมือนกับเราไม่มีลูกหลานเนี่ยเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปเห็นตุ๊กตามันก็ไม่นึกอยากได้ถ้ามีลูกหล า, านก็อาจจะนึกอยากได้มาให้ลูกหลานแต่เราไม่มีลูกหลานก็ไม่เคยอยากได้ตุ๊กตาตุ๊กตานั้นเป็นวัตถุกามแม้ ใ, ใจเราจะมีกิเลสกามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใคร่ไปหมดมันก็ อ, อยู่กับเงื่อนไขปัจจัยต่างๆอีกเป็นนั้นมาก ก็การสงกัดจากกามสงัดจากกุศลธรรมเนี่ยอกุศลธรรมประเภทนิวร์ทั้งหลายนี่สังัดนะฮะแล้วว่ากันตามความเป็นจริงเมื่อกิเลสประเภทนิวร์ก็สงัดกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นมันอยู่ตะกรอนนะฮะมันอยู่เป็นก้นบึ้งของจิตใจเรียกว่านอนเนื่องอยู่ในขันธะสันดานเรียกว่าอนุสัยบ้างเรียกว่าสังโยชน์บ้างพวกนี้บางก็สงัดอยู่แล้วปกติ เพรว่าเวลาเขาขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่าสังโยชน์ไม่ได้เรียกว่าอนุสัยแต่ว่าเรียกว่านิวรณ์แปลว่าสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีทีนี้อาการเหล่าเนี่ยบรรลุปฐมฌานคือฌานแรกฌานข้อที่หนึ่งมีบีตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ก็ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่ามิตกก็ไปสงบที่นวิทะวิจารก็สงบพิจิกิชาปีติก็ไปสงบพยาบาทสุขก็สงบอุตจุกุกจัเกิดแต่วิเวกวิเวกในที่นี้ก็คือความสงัดเป็นกายวิเวกเป็นจิตวิเวกเป็นสงัดกายแล้วก็สงัดจิต ให้ความากายนั้นก็อยู่ในที่สงัดด้วยแล้วก็สงัดจากอากุศลบาปธรรมที่ทําทางกายด้วยแล้วก็สงัดนั้นก็เข้าไปถึงจิตจากนั้นก็ส่งอธิบายว่าเธอทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอื้อิ่มทราบสั้นโดยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก ค, คือตัวปีติกละสุขและสงบเนี่ยตัวสมาธิเนี่ย มันมีการฟูขึ้นภายในใจธรรมะใจโปร่งสงบเย็นสบายปรากฏขึ้นภายในใจไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องหมายความว่าความรู้สึกตัวนี้ปีติสุขสงบปีติสุขสงบมันแผ่ครอบคลุมไปทั้งตัว เรียบเหมือนกับพนัก ง, งานสงสนารนหรือลูกมือของพนัก ง, งานสงสนารนผู้ฉลาดจะพึงใส่จุนสีตัวลงไปในภาชนะสำริดแล้วก็พรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็นก้อนจุนสีตัวจึงซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมดจะไม่กระจายชันใดนี่ก็ให้ความรู้อย่างหนึ่งในสมัยโบราณที่เขาไม่มีสบู่เนี่ย เขาก็มีเป็นจุนเป็นผงนะฮะสมับสีตัวอโดยเริ่มต้นก็เอาไปแช่ไว้ในภาชนะสำริตแล้วก็พรมด้วยน้ําคือใส่ไว้ในภาชนะสำริตแล้วก็พรมด้วยน้ำํำมันเปียกมันชุ่มพอตกเวลาเย็นเนี่ยก้อนจุนสีตัวซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ไม่กระจายออกจันใดภิสูจน์กันนั่นแหละทากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มซาบซ่านไยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูก่อนมาบพิษนี้แหละสามัญญผลที่เห็นไปจาก ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีกว่าสามัญญผลที่เห็นมาจากข้อก่อนๆข้อนี้พึงสังเกตว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัมผัสตรงอย่างที่เคยบอกไว้ว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงแก่พวกเราเนี่ยนั้นเป็นปฏิเวทโดยสถานะ คือหมายความว่าเป็นสัพพะตรงของพระองค์อยู่ออกมาจากพระทัยของพระองค์นั้นมีฐานะเป็นปฏิเวทเมื่อเข้าหูผู้ฟังมีปัญญาวิเคีเป็นต้นมันก็เป็นปริยัติสมาุคคลดอกนั้นเพราะนั้นเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันต้องยุติด้วยอย่างนี้หมายความถ้าเราถามตัวเองว่าเราได้ผถมผสานละอย่างก็ดูซิาอาการปีติอาการของสุข สมาธิเนี่ยมันแผ่คลุมไปทั่วทั้งกายและจิตใจเราหรือเปล่าทั้งกายเราไม่มีอาการของปีติอย่าลืมว่าปีติเนี่ยมันกระทบติกายได้นะฮะสุขก็กระทบติกายได้ตัววิเวกนั้นมันอยู่ที่จิตเฉยแต่ว่ากายก็สามารถที่จะสงบวิเวกคือกายจะทุจริตวาจิตุจริตได้พราอาการเหล่านี้มันจะคลุม มันมีอาการชุ่มชื่นเออบิ่ ม, มทราบสั้นถามว่าทราบสั้นไปด้วยอะไรเออบิ่มด้วยอะไรชุ่มชื่นด้วยอะไรคือปีตินี่มีลักษณะเย็นนะฮะสุขมีลักษณะเย็นก็ทําให้เกิดชุ่มชื่นคล้ายๆกับเราประพรมด้วยน้ําเวลาร้อนๆประพรมด้วยน้ำก็รู้สึกชุ่มชื่น อาการเหล่านี้ย่อมเกิดแก่คนที่เจริญสมาธิมาจนถึงปฐมฌานบางครั้งบางคราวเราก็พูดใกล้ๆจะง่ายแต่วันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีอาการอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ทรือบางทีเราก็ส ง, งบแต่เราเคริ่มไปข้าไปทางหลับ มันก็ทําให้ปรุงคิดคิดปรุงอว่าไอ้ น, นี้เป็นอาการก่อนสมาธิทั้งๆที่มันไม่ใช่อาการก่อนสมาธิในข้อต่อไปก็เป็นทุติยชาติในความเป็นทุติยชาต น, นัวิตกวิจารสงบนะฮะคือไม่มีวิตกไม่มีปิจาร์โคสงอธิบายว่าพิสุบรนรุทุติยชาติมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน คือในทุติยชานนั้นใ จ, จะฟ่องสายมากและอาการของปีติอาการของสุขอาการของสมาธิจะเด่นนะเขาแปลว่าเป็นความสุขที่หวานใจยิ่งนักหมายความว่ายามปกติแล้วเราก็ไม่เคยสัมผัสคือเราไม่ได้จากความสุขอย่างอื่นความสุขที่เกิดภายในฌานเนี่ยเราจะไม่ได้จากความสุขอย่างอื่น ดังนั้นภิกษุที่บรรลุทุตติยฌานหรือผู้ปฏิบัติที่บรรลุทุตติยฌานเนี่ยมีความผ่องายแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมันผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยทั้งปีติทั้งความสุขทั้งความสมุก เพราะว่าวิตกวิจารเนี่ยมันสงบไปวิตกคือความตรึกนึกนะฮะวิจารก็การไตรตรองการพิจารณาในสงบไปไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติสุขแต่สมาธิอยู่มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่แมาความสมาธิเป็นเหตุมันขับให้ปีติและสุขมันเด่นก็ปรากฏ แะจิตของบุคคลเหล่านั้นกรับสั่งว่าไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของตัวเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องต้องอุปมาให้เห็นว่าดูก่อนมาบทพิษเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกที่มีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางที่น้ำจะไหลมาได้ ทั้งในด้านตะวันคือทุกทิศนะฮะทั้งทิต่ตะวันออกทิศใต้ทีตตทต่ตะวันตกทิศเหนือตั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุกขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วจะพึงทำหัวงน้ำนั้นแหละให้ชุ่มชื่นเอบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นคือหมายความว่าคล้ายๆกับเป็นบึงเป็นสระอะไรสักแห่งหนึงนะ มันไม่มีน้าไหลมาจากข้างนอกคือหมายความว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินในระดับทุติยชาตเนี่ยมาจากข้างในโดยเฉพาะเลยมันเกิดขึ้นที่ใจโดยเฉพาะเพราะในแอ่งน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีตาน้ำที่เกิดน้ำขึ้นมาจากภายในตัวเองแล้วก็ปุยพุ่งขึ้นมา ก็ทำให้น้ำนั้นเต็มเปี่ยมอยู่ในบึงในสระตรงนั้นทีนี้ตลอดเนี่ยไม่ตลอดทั้งทั้งทงัจะเรียกว่าบึงหรือสระหรือแอ่งน้ำอะไรก็ตามนะไม่มีเอกเทศไหนแห่งพ่วกน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องตรงนี้ภาพ ช, ชัดนะคือหมายความว่าปีติสุข ที่เกิดแต่วิเบกเนี่ยที่เกิดแต่สมาธินี่มันเหมือนน้ำในแอ่งคล้ายๆกับลำตะคองนะฮะเราจะเห็นว่าน้ำมันก็ท่วมไปหมดตลอดจนจนจนถึงดิ่มของน้ำทุกส่วนของลำตะคองหรือของสระอะไรก็ได้มันก็ถูกน้ำกระทบจนหมด บนร่างกายและจิตใจนะฮะจิตใจของท่านที่ได้ทุติยฌานจะมีลักษณะอย่างนั้นรับสั่งว่าไม่มีเอกเทศในไหนแห่งว่วงน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั่นแหละย่อมทํากายนี่แหละหชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มทราบสัน้นด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิผิดเกกับข้อแรกนะฮะ ก้แรกเนี่ยทำกายนี่แหละไอ้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบสัานด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกแต่มันเป็นการอุปมาเทียบเคียงเหมือนการจับตัวของจุลที่สมบุกถูตัวคล้ายๆกับสบู่สมบถูตัวนะฮะก็ยังนึกถึงสบู่ที่เป็นน้าในปัจจุบันนะก็บรรจุเอาไว้ แล้วก็ผนึกเป็นเนื้อเดียวกันเวลาถูตัวก็มันก็ผนึกติดกันทั้งหมดนั่นแหละามาถูตัวก็ให้เกิดความสะอาดขึ้นปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องไม่ว่าส่วนใดก็ตามของร่างกายเนี่ยมันจะถูกปีติและสุขเกิดแต่สมาธินี่ถูกต้องและนี้ก็เป็นสามัญผลอีกข้อหนึ่ง ซึ่งก็ดีกว่าข้ออื่นๆเออข้อต่อไปคือเป็นตติยฌานนะัในตติยฌานในปิติเป็นสงบยังเหลือแต่สุขกับเอกะกะตาคือกับสมาธิทระสังว่าอีประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสั ม, มชัญญาสวยสุสุขวยนามกายเพราะปิติสิ้นไป อุเบกขาก็คือใจวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินไรในอารมณ์อะไรมีสติมีสมัมปชัญญะที่แผ่ซ่านครอบคลุมไปทั้งจิตก็ทาให้ท่านสวยสุขด้วยจิตด้วยนามกายนะฮนะก็ก็สวยสุขด้วยจิตเพราะปีติมันสิ้นไปมารุตเตียชาญที่ระยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้าชาญ น, นี้เป็นผู้มีเบกขามีสติมีสุขอยู่ยเป็นสุข เธอทำกายเนี้ยชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มทราบซ้านด้วยสุขอันปราศจากปีติวันนี้ละเม็ดละไมขึ้นนะฮะมันไม่วหววฟูฟ้ายัางมีปิติอยู่ด้วยไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องเมาประพิษเปรียบเหมือนในกอบัวขาบนบหลวงหรือในกอบวกขาว ดอกบัวขาวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวดอกบัวเหล่านี้เป็นดอกบัวในสระของพระองค์สมัยที่เป็นพระรติกุมารนะพระเจ้าสุโธธนะก็ทรงปลูกบัวขาวอุบลบัวหลวงนะะ บ, บ, บัวขาวบัวขาวดอกบางเหล่าซึ่งเกิดในานา้ําจะเดินในานา้ํายังไม่พนน้ําจมอยู่ในานา้ํา น้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มแช่เ อ, าอาิบอาบซาบซึงด้วยน้ําเยน็นตลอดยอดตลอดงาวไม่มีเอกเทศไหนแห่งดอกบัวขาวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ําเย็นจะไม่พึงถูกต้องชั้นใดคือหมายความว่าดอกบัวที่ยังอยู่ในน้ำนะฮะก็ทุกส่วนก็ถูกน้ําถูกต้องภิกษุก็ฉันนั้น ย่อมทำกายนี้แหละไอ้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบสั้นด้วยสุขปราศจากปีติไม่มีเอกเทศไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปิติจะไม่ถูกต้องดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี่แหละสามัญญผลที่ไปจักทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีกว่าสามัญญผลที่เห็นไปจักข้อก่อนก่อนนี่ก็โดยปารยายหนึ่งเราลองสังเกตว่าพอมาถึงตติยชาญเนี่ย จิตใจของบุคคลเหล่านั้นจะอยู่ด้วยอุเบกขาด้วยสติด้วยสัมมชัญญะแล้วสวยสุขอยู่ด้วยนามกายอาการของปิติมันสงบลงไปยังเหลือแต่สุขกับสมาธิหรือสุขที่เกิดแต่สมาธินี้มันเหมือนกับกอบัวให้เราสังเกตว่าเกิดในน้ำเจริญในน้ํายังไม่พ้นน้ําจมอยู่ในน้ํา หมายความเอาเฉพาะดอกบัวประเภทที่อยู่ในน้ำที่ยังจมน้ำอยู่แต่ว่าใช้ไปในยะของความดีนะฮะดอกบัวที่จมอยู่ในน้ำที่จริงก็ต้องรอวันบา น, บานถ้าพูดในเรื่องอื่นแต่ว่าในกรณีนี้พูดถึงว่ามันถูกต้องน้ำหมดทุกส่วนของความเป็นดอกบัวดอกนั้นคือน้ำถูกต้องได้ทั้งหมดบนจิตใจและร่างกายของท่านที่ มันเป็นเพียรมาจนถึงบรรลุตเติฌานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันจะมีความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิแต่วันตาะจากปิตินะแผ่ซ่านครอบคลุมทั่วทุกส่วนของร่างกายท่านเป็นสัมผัสตรงนะคือหมายความว่าสรงอุปมาให้เห็น แต่อุมาเหล่านั้นแหละคือถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็สัมผัสตรงไม่ได้แต่เราเห็นได้โดยอุปมาว่าสมเหตุสมผลในความเป็นอย่างนั้นทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รมประพฤติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี